อันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากล่าวบรรยายเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยกายกับใจเป็นหลักสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีก็เป็นกิริยาของใจทั้งนั้น กายคืออาการสามสิบสองธาตุสี่ขันธ์้าอายตนะที่มีอยู่ก็เป็นเครื่องลูกของใจคือมันเป็นวัตถุเรียกว่าลูกประธรรมลูกธรรมนี่เป็นเครื่องลูกของใจในเมื่อใจรู้ทันความเป็นจริงของลูกธรรม และรู้ทันอาการของรูรรมสติสัมปชัญญะมันก็ดีขึ้นสติสัมปชัญญะเป็นตัวการที่สามารถประครับประคองใจของเราให้ดำเนินไปสู่สมาธิในภูมิจิตภูมิธรรมเพราะฉะนั้น เราต้องพยายามรู้กรรมีธรรมของเราให้มันชัดเจนกายเป็นที่เป็นเครื่องรู้ของจิตที่นี้จิตอ่านกายอ่านอะไรเราจะต้องอ่านไปตั้งแต่ตื่นเท้าขึ้นมาทีเดียว <c oughs> พอตื่นเช้าขึ้นมาเราจะต้องคิดว่า เราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างบางทีเรายังไม่ได้นึกไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่มันเตือนแล้วทุกมันเกิดมันเกิดอยู่ที่ไหนคนเรานี่เมื่อรับทานแล้วก็ต้องมีการขับถ่ายตื่นเช้ามาทุกมันก็แสดงออกมาให้ปรากฏ พระอุจจาละกิจปัสสาวะกิจอะไรต่างๆนี่เรารู้ทำแล้วลอกจากนั้นเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างล้างหน้าแปงรงฟันละหาอาหารให้มันรับทานบ้างละบางทีเจ็บหัวปวดท้องก็ต้องหายาให้มันรับทานเพื่อรักษาพยาบาลบ้างละ เรื่องมูนีธมีแต่เรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้มันรู้ศึกษาธรรมะอย่าไปศึกษาใครตัวของเราเองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็สอนให้พิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่รู้จะให้พิจารณารู่ไปทําไมใครเกิดมาแล้วก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งนั้น เราคุณเจ้าเหนื่อยลำไรนักตาบางทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ความจริงที่พิจารณาความเกิดนั้นเพื่อจะให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพราะอะไรอาศัยอำนาจอะไรเป็นที่เกิดีิเลสตัณหาอุปาทานกรรมคือวิบากกรรมที่เราทำเอาไว้นั่นแหละ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 เมื่อสิ้นอายุไขก็ต้องสลายตัวคือตายทีนี้ที่ให้พิจารณานั้นก็เพื่อจะให้รู้เท่าทันให้รู้จริงให้จิตของเราเนี่ยมันรับรู้สภาพความเป็นจริงรับรู้สภาพความเป็นจริงว่าเรามีเกิดแล้วเราต้องแก่ต้องมีจิตต้องมีตายเมื่อจิตยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงรู้จริงลงไปว่า เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยใครจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเขาจะต้องเป็นวองเข้าไปโดยกฎธรรมชาติอย่างนั้นถ้าจิตมันยอมรับลงไปสัอย่างนี้ผู้พิจรารณารู้ทันแล้วจะไม่มีความรู้สึกตื่นตกใจในเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นาหากยังมีกิเลสอยู่ยังไม่หมดกิเลส เพราะอาศัยความดีที่เราสามารถพิจรารณารู้ทันความเกิดแก่เจ็บตายใจไม่สะุ้งหรือไม่หวาดหวั่นต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็แสดงว่าผู้นั้นมีใจเป็นพื้นฐานที่มั่นคงด้วยคุณธรรมถ้าหากมันจะเกิดมีการตายขึ้นมาเขาจะต้องถ้าหากเขายังมีกิเลสอยู่ยังเชื่อว่าเราจะต้องมาเกิดใหม่อีกอยู่เขาจะมีความ โูมใจขึ้นมาว่าดีเหมือนกันตายไปแล้วจะได้ใช้ชาติใ ช, ช้พบให้มันหมดสิ้นไปความดีเรามีพร้อมแล้วเรามาเกิดใหม่เกิดเอาใหม่ดีกว่าเก่าอ่างท่านพระอุปชายยะกออ็จะมาอยู่ที่วัดสัปปะทุมท่านจะคุณปรรัญญาภิสาะเถรชื่อเดิมท่านว่าอาจารย์หนู ของท่านอาจารย์เต่าตอนนั้นเขามาทิ้งระเบิด <c oughs> ท่านไม่ยอมลงไปสู่ที่หลบภัยท่านก็นั่งอยู่บนกติของท่านนั่นแหละตำรวจต้องมาอุ้มเอาพอตำรวจมาอุ้มเอาท่านก็ถามว่าจะเอาท่านไปไหนเขาก็บอกว่าเอาไปหลบภัยภัยที่ไหน เขาบอกว่าเขาจะมาทิ้งระเบิดเอา้าถ้าเขาทิ้งระเบิดมาถูกเราเราตายเราเกิดเอาใหม่ดีกว่าท่านว่าอย่างนั้นอันนี้คือท่านผู้ที่มีความมั่นใจในคุณคามดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาแล้วเพราะฉะนั้นเราทุกคนหรือหลายๆคนทั้งประเทศเนี่ยที่เราต้องวันวีตกวันกลัวคือว่ากลัวสารพัด กลัวต่อเหตุการณ์ของโลกกลัวต่อภัยส่วนตัวกลัวต่อภัยของบ้านเมืองอะไรทํานองนี้ที่เราต้องกลัวอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเรายังมีความดีหรือยังไม่เชื่อมัน่นว่าเรามีความดีพอเพียงที่จะช่วยอุดหนุนวิญญาณของเราให้ไปสู่สุคติได้เพราะฉะนั้นเราจรึงกลัว าาว่าเรามีความดีพร้อมมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวไฟนรกก็ไม่น่ากลัวอะไรอะไรก็ไม่น่ากลัวทั้งนั้นถ้าเรามั่นใจว่าถ้าเราตายจริงเราไปเกิดเอาใหม่ดีกว่าเหมือนอย่างกันตุคุณปัญญาท่านว่ามันก็หมดหมดกลัวกันเท่านั้นเองให้แต่ตมาปูดคนเดียวก็กหมดนะ <laughs> ข้าไปในพระบรมมหาราชวังพิธีการของท่านก็มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรถวายพระธรรมเทศนาพอถวายพระธรรมเทศนาจบก็มีการนั่งสมาธิ ดังนั้นวันนี้เราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนั่งสมาธิดูหน่อยดีไหมอาางย่อเชิญแต่ละครั้งที่ได้ไปร่วมพิธีการดูมันจะไม่เคยเว้นจากการทำสมาธิ <c oughs> เราจ ะ, ะนั่งนนะโอกาสนี้ ท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาธรรมะตามลำรับธรรมรามาพอสมควรแล้วก็หลายหลายท่านก็ได้ตั้งใจนั่งปฏิบัติธรรมสมาธิมามากพอสมควรเหมือนกันดังนั้นณนะโอกาสนี้ขอเชิญชวนบรรดาท่านทั้งหลายจงกำนดจิต ทำสมาธิตามแบบที่ตนเคยทำนิชนานาญมาแล้วจงกำหนดจดจ้องลงที่จิตของตัวเองทำความรู้สึกภายในจิตว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประชุมทอมอยู่ที่จิตของเราแล้ว แล้วก็กำหนดอารมณ์คู้ของใจอะไรก็ได้ที่เราเคยํำนานมาแล้วที่ว่าพระพุทธเจ้าพระทรรประสงค์ประชมพร้อมลงที่ใจนั้นก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้ามาจากคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผูททา้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบาน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 ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นมีคุณของประสงค์อยู่ในจิตในใจพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นกิริยาของใจและเป็นคุณธรรมของใจแต่ละอย่างละอย่างเป็นคุณธรรมแต่ละอย่างซึ่ง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 หล่อพื้นฐานแห่งความดีความชั่วย่อมเกิดที่จิตถ้าจิตดวงนี้ปราศจากสติเป็นเครื่องคุ้มครองหรือประครับประคองเมื่อไหร่เมื่อดันจิตดวงนี้ก็จะต้องมีความเผลอไปนึกสร้างบาปอภิศณ์ขึ้นใส่ตัวหามีสติสัมปชัญญะประครับประคองอยู่ตลอดเวลา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 หรือที่แนวทางปฏิบัตินั้นย่อมทรงอนุโลมตามอุปนิสัยของผู้รับฟังหรือผู้ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าไปสำคัญอย่าไปยึดวิธีการให้มากให้พยายามกำหนดรู้เหตุผลซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราเอง เห็นอย่างวิธีการปฏิบัติด้วยปริกรรมพุทโธก็ดีกำหนดยุบหนอพองหนอก็ดีกำหนดลมหายใจเข้าออกสั้นยาวก็ดีหรือกำหนดลงไปในกายจุดใดจุดหนึ่งให้มองเห็นกระดูกชัดเจนก็ดีหรือวิธีการยิ่งนอกเหนือไปกว่านั้นเห็นการเพ่งอสุภะ หรือเพ่งกสินอะไรต่างๆก็ดีแต่ละอย่างละอย่างเป็นอุบายเพื่อทำใจจิตให้สงบเป็นสมาธิทั้งนั้นอย่าไปสงสัยหรือทำความลังเหในสิ่งเหล่านั้นขอให้ยึดสภาพความเป็นจริงที่จะพึงเกิดขึ้นภายในจิตของท่านถ้าพูดถึงว่าวิธีทางที่จิตจะ ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามในเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิแล้วจะต้องอาศัยการดำเนินตามองค์ฌานคือมีวิตกวิจารปีติสุกเอกัตาจะเดินนอกเหนือไปกว่าจากนี้ไม่ได้ สำหรับผู้ที่จะทำสมาธิเพื่อความชำนิชำนาญบางครั้งบางคราวผู้ปริกรรมภาวนาอาจจะมีจิตมีอาการวูกลงไปอย่างเร็วแล้วก็ไปสงบนิ่งสว่างอันนี้ช่วงระหว่างวิตุวิจารดยกระทั่งจิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิ ผู้นั้นมีสติกำหนดไม่ทันเป็นลักษณะของสมาธิที่เกิดขึ้นอย่างลุกๆุกเรียวกว่าผู้ปฏิบัตินั้นยังไม่ชำนาญในการทำสมาธิจึงมีอาการวูบปากแล้วก็วูบลงไปโดยที่ผู้ปฏิบัติกำหนดไม่ทันว่าจิตได้ผ่านอะไรบ้างไปรู้สึกตัวต่อเมื่อจิตนิ่งสว่างเป็นสมาธิแล้ว อันนี้ก็อยู่ในลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิเหมือนกันแต่หากยังไม่มีความชำนิชำนาญที่นี้บางทีบางท่านบริกรรมภาวนาอาจจะจิตอาจจะไม่เคยสงบเป็นอปปนาสมาธิสัตี เทียงแต่สงบลงไปเป็นอุปจาระสมาธิคือมีอาการเพิ่มๆ ล, ลงไปแล้วก็สว่างจิตยังมีความรู้สึกสัมพันธ์กับร่างกายอยู่แล้วก็มีความมุ่งหมายที่จะทำจิตให้ไปถึงอัปปนาสมาธิชนิดที่ดีวกว่าสงบนิ่งลงไปแล้วร่างกายตนตัวไม่ปรากฏในความรู้สึก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 พอทําจิตให้สงบเป็นอุปจารสมาธิบ่อยๆพอที่จะประคับประคองจิตให้น้อมไปสู่แนวทางแห่งการพิจารณาพระไจรับคือพิจารณากายและความรู้สึกน้อมไปสู่พระใจรับคืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้อดีบกาหนดพิจารณาทันทีไม่ต้องไปค่อยให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิ ปฏิบัติในทำนองนี้ก็ย่อมจกเกินแก่ผู้ปฏิบัติเหมือนกันถ้าหากต่างว่าเราจะไปคอยให้จิตสงบเป็นอัปนาสมาธิเสียก่อนเข้าฌานให้มันได้ทำนิชทำนานก่อนแล้วจึงจะไปพิจารณาพระใจรักหรือจะยกจิตขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาถ้าเปื่อว่าชั่วชีวิต น, นี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้ เราจะไม่ตายเปล่าเลยการทำใจให้สงบเิ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนาหรือเข้าฌานได้อย่างชำนิชำนาญ น, นั้นผลประโยชน์ก็เพียงแค่ให้เกิดความชำนาญในเข้าฌานในการเข้าฌานชำนาญในการทาสมาธิทำให้เกิดอิทธิฤทิตแต่เหตุผลนั้นยังไม่เพียงพอเพราะท่านอาจารย์เทศท่านว่า จิตที่เป็นสมาธิอยู่ในฌานนั้นเป็นสมาธิที่โงเพราะจิตเข้าทานจะต้องเพ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นอาการที่ว่าความรู้ภูมิจิตภูมิธรรมย่อมไม่เกิดขึ้นครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันว่าสมาธิในฌานเป็นสมาธิที่โง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 เอาตัวรอดจากอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นสมาธิในฌานจึงเป็นสมาธิที่ไม่สามารถที่จะทำผู้ปฏิบัติให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ถึงจะมีบ้างก็มีจำนวนน้อยแต่สมาธิที่อยู่ในอริยมรรคเพื่อจิตสงบประชุมลงพร้อมที่ หรืออริยมรรคระรุมพร้อมที่จิตนั้นสามารถทําจิตให้ดํารงอยู่ในความมั่นคงในความเป็นกลางเมื่อจิตมีอริยมรรคเป็นเจตสิกประวกบประคองอยู่ที่จิตจิตอยู่ที่อริยมรรคอริยมรรคอยู่ที่จิตจิตเป็นอริยมรรคอริยมรรคเป็นจิตแม้จะอยู่ในระดับสมาธิขั้นอ่อน จิตจะมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้แล้วไม่ยึดถือปล่อยวางไปอาการที่จะตเสวยอารมณ์ในขณะที่รู้เห็นอะไรขึ้นมานั้นไม่มีคือจิตไม่มีอาการสื่นทราบเข้าไปในสิ่งที่รู้นั้นเพราะไม่มีความยึดทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เพาสิ่งที่รู้เห็นขึ้นมานั้นเป็นภูมิปัญญาของจิตซึ่งภูกอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาประจุพร้อมลงแล้วสามารถปฏิวัติดวงจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงเป็นลําดับลําดับซึ่งจิตในลักษณะอย่างนี้ในขั้นต้นจะรู้อะไรก็ตามสมมติกันเรียกว่ารู้ธรรมก็แล้วกันอารมณ์ก็คือธรรมธรรมก็คืออารมณ์นั่นเอง ในมรู้อะไรขึ้นมาแล้วในตอนต้ น, ต น, ตนยังจะมีสมมติบัญญัติเรียกกันได้ว่าอะไรอยู่ในตอนนี้เป็นภูมิความรู้ของจิตซึ่งอยู่ในลักษณะในขั้นของอุปจาระสมาธิอ่อนๆซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติในขณะที่จิตสงบลงไปแล้วความรู้สึกในภายนอกก็ยังมีอยู่ แต่จิตอยู่ในลักษณะแห่งความสงบแล้วก็มีภูมิจิตภูมิธรรมเกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลา <c oughs> แม้ในบางครั้งจะพูดดูหรือทําอะไรอยู่ก็ตามลักษณะของความสงบของจิตมันมีอยู่ภูมิรู้สิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสามารถที่จะพูดจะคุยสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ในขณะนั้น อันนี้เรียกว่าเป็นภูมิจิตที่มีอริยมรรคประชุมพ ร, พร้อมหลงที่จิตาหากในขณะท่านผู้ปฏิบัติที่มีภูมิจิตมีลักษณะอย่างนั้นเมื่อทำสมาธิให้สงบละเอียดลงไปคือทำในขณะที่ปราศจากสิ่งลบปวนเช่นนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระคนเดียวเป็นต้นเมื่อจิตสงบลงไปอย่างละเอียดแล้ว เมื่อเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาภายในจิตนั้นทกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏการมีลักษณะว่าจิตสงบนิ่งเด่นสว่างทวายแต่สิ่งที่ให้รู้ก็มีปรากฏการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ความรู้ในขั้นละเอียดนั้นไม่มีอะไรที่จะไปมีความสำคัญบันหมายสมมติบัญญัติเรียกชื่อสิ่งนั้นว่าอะไร อันนี้เป็นธรรมาชาติของภูมิจิตภูมิธรรมที่เกิดขึ้นในระดับสูงระดับละเอียดซึ่งอยู่เหนือสมมติบัญญัติจึงเราเรียกว่าสัจธรรมบังเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติตัวจิตของท่านผู้นั้นก็เป็นสัจธรรมเครื่องรู้ของจิตที่เกิดขึ้นก็เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นสัจธรรมกับสัจธรรมในเมื่อมาบรรจบกันเข้าจึงเรียกชื่อกันไม่ถูก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 คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้เป็นพระดํารัสของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ดํารัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะเหตุว่าจะไปบัญญัติชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรก็บัญญัติไม่ถูกดังนั้นเพราะในขณะจิตรู้ของสิ่งนั้นจะมีแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นมันอยู่เหนือสมมติบัญญัติอะไรที่เราสมมติบัญญัติชื่อมันได้อยู่สิ่งนั้นก็ ไม่ใช่สัตยธรรมมันก็เป็นเพียงสมมติความรู้จริงเห็นจริงมันอยู่เหนือสมมติบัญญตัติขอให้ทุกท่านจงสังเกตดูตรงนี้ให้ดีถ้าหากว่ามีภูมิธรรมปรากฏขึ้นแล้วให้สังเกตดูให้ดีความรู้ธรรมะในขั้นละเอียดของจิตนั้น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 เป็นจิต ท, ที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานจิตจึงมีปรากฏการ์อย่างนั้นถ้ า, าว่าจิตของท่านผู้ใดเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลไม่กลับกลอกว่าได้จือว่าเป็นพระอหรหันต์ในเพึงสังเกตและทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าหากเราทำอย่างนี้ได้บ่อย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 อันนี้คือสมาธิรต่ภูมิธรรมในอริยมรรคแม้ออกมาจากการนั่งหลับตาสมาธิแล้วสมาธิก็ยังมีปรากฏอยู่ตลอดเวลาคือตัวสติที่มีกำลังกล้าเด็กเข้มแข็งนั่นเองจึงดูคล้ายๆกับว่าจิตมีความสงบอยู่ตลอดเวลาส่วนที่สงบก็ปรากฏอยู่ส่วนที่ออกมาบงการทำงานก็มีปรากฏอยู่ นี่คือสมาธิตามแนวทางของพระพุทธเจ้าทมสมาธิเป็นแล้วมีภูมิจิตภูมิธรรมสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเราสามารถเอาภูมิธรรมภูมิจิตนั้นมาประกอบประโยชน์ตามมิถิทางของชาวโลกตามมิถิทางของการคลองชีพครองบ้านคลองเรือนได้เรือน ไ, ได้อย่างสบายถ้ถาสมาธิอันใดบำเพ็ญดีแล้วปฏิบัติได้ดีแล้ว คือว่าอยู่ในขั้นดีตามความนิยมของผู้ปฏิบัติมีภูมิสมาธิสงบดีมีภูมิธรรมที่เกิดขึ้นเกิดเบื่อหนายต่อครอบครัวเกิดเบื่อหนายต่อลลกไม่เอาไหนไม่อยากจะเข้าสู่สังคมไม่อยากจะทำไม่อยากจะทำประโยชน์แก่ใครๆอยากจะปลีกัวนร้ไปอยู่ป่าสักคนเดียวอะไรทานองนี้ สมาธิอันนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อให้พิจารณาให้มันรอบขอบอาหากพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ามีสมาธิมีพระสติปัญญาดี